ส้นฟองที่เคารพค่ะรายการของเรานะคะรายการสันริษฐานาตอนนี้ก็ดําเนินมาถึงช่วงเวลาที่จะได้พบกับการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพระทวัจระโดยท่านอาจารย์ไทยบุญภิบุญโนจากวัดป่าดอนไฮโซจังหวัดอุดรธา น, นีค่ะเราไปกราบนมัดการท่านกันเลยนะคะมรดกการท่านค่ะที่ผ่านมา3มวันนี้ก็กลับเรียนถามแต่เรื่องหลีกเล่นทั้งนั้นเลย อ, อย่างไรก็ตามนะคะท่านคะในวันนี้เนี่ย ยังจะต้องถามเรื่องคําว่าหลิกเด่นอีกสักนิดหนึ่งแต่ก่อนหน้าที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยรบกวนท่านาได้พูดถึงพระพุทธองค์เป็นการถวายเป็นพุทธปูชาในปีพุทธชัยนีนี้ค่ะเชิญพานเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพรพุเจ้านี้ก็คือบางทีเนี่ยพระองค์ก็เรื่องของการใช้ฤทธิ์เนี่ยนะเพื่อที่จะให้คนมานับถือเนี่ยหรือว่าเพื่อที่จะให้ก็เรียกว่า ให้คนเห็นประโยชน์เนี่ยนะบางทีพระองค์ก็ใช้นะซึ่งบางทีเนี่ยอย่างตอนที่ไปาหาสาวกแรกๆอย่างเช่นจลินสามพี่น้องอย่างเงี้ยซึ่งเขาเป็นพวกบูชาไฟอยู่พระพุทธองค์ก็ใช้ฤทธิ์ในการที่จะให้สามาสามกลุ่มเนี้ยยอมนะแล้วก็มีอีกหลายวาระที่ใช้ฤทธิ์ในการที่จะทำให้เขาเขายอมแต่ก็มหีหลายโอกาสที่ อบอกว่าการแสดงฤทธิ์เนี่ยไม่ดีนะครับที่อัตมาบั ม, มองจุดนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีข้อควรระวัง อ, ะอ่ะคือพระเช้าเคยเตือนว่าอย่างสมมุติอิทธิวิธีพวกอความสามารถพิเศษพวกเนี้ถ้าเราทําทําไปเนี่ยคือคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยเขาจะมีบอกว่าอ๋อมายากลที่ชื่อว่าแบบนี้แบบนี้มีอยู่อย่างนีน้อย่างในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราเคยดูเดวิดคอปฟิลเขาเล่นมายากลใช่ไหมสมัยมีช้างหายไปเป็นตัวเออซึ่ง ถ้าคน <c oughs> มีฤทธิ์เนี่ยเขาก็ทําได้นะทำ <c oughs> ของให้หายไปได้ทําที่แจ้งให้เป็นที่กําบังได้นะซึ่ง <c oughs> แต่ว่าคนที่ไม่ไม่ศรัทธาเนี่ยเขาก็จะ อ, อ๋อเล่นกล น, นะคือเป็นคนละเหตุสองเหตุไม่เหมือนกันคนภิกษุผู้ <c oughs> ที่สามารถมีฤทธิ์เนี่ยเพราะว่าคุณมีศีลสมาธิปัญญาคุณจึงทําฤทธิ์ของคุณได้นะแต่นักมายา <c oughs> คนที่คุณไม่ได้มีศีลสมาธิปัญญาในระดับที่คุณจะสร้างทําฤทธิ์ได้ <c oughs> พอเป็นอย่างนี้เ <c oughs> นี่ยน้อย ะจะทําให้ศีลมีคนมาดูถูกว่าอ๋อคุณใช้มายากลแต่พระเจ้าเห็นข้อเสียตรงนี้จึงแบบหลีกเลี่ยงในการที่แสดงในบางโอกาสด้วยเหมือนกันค่ะก็จะทําให้คนที่ยังไม่ศรัทธาเลยคิดว่าอ๋อมาเล่นกลหลอกกันเพื่อที่ให้เชื่ออย่างนี้นะคะคกล น, นี่ไม่ใช่มีกลอย่างเดียวนะกลทําของหายนะมันยังมีกลทายใจด้วยอย่างที่เราเคยเล่นกันทายไพย่อคุณเลือกไพ่ใบอะไรไว้อย่างนี้วันนี้ฉันจ ะ, จะทายได้อะคุณสลับนะตอบใช่หรือไม่ใช่แค่นี้เราก็จะรู้ว่า เขาถ่ายไพ่ใบไหนเอาไว้เนจะ้าเขาก็จะคิดว่าเออเป็นมายากนแบบนี้ถ้าคนไม่ศรัทธาเนะพราะเพราะเป็นอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะก็จะเป็นผลร้ายต่อคนนั้นเขาเพราะว่า ค, คุณมาว่าคนที่มีศีลสวรรคที่ปัญญาใช่ไหมว่าต่างๆนานาก็จะทำให้คุณธรรมคือหมายว่าตัวคนว่าเนี่ยมีมีผลไม่ดีล่ะค่ะมีอกุศลกรรมเกิดใช่เป็นอกุศลบาจางั้นค่ะ ท่านคะทีนี้เท่ากับว่าประเด็นที่หยิบยกเอาคุณสมบัติของพระพุทธองค์หรือว่ า, าสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทําในขณะดํารงเพระชนชีพในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ า, าพระองค์เนี่ยสรุปคือพระองค์ทรงมีฤทธิ์แน่นอนใช่แต่ไม่ใช่ว่าท่านจะแสดงท่ามเพื่อใช่แล้วก็ไม่ใช่แสดงเพื่อจะอวดฤทธิ์แต่มีเหตุผลในการแสดงใช่ทุกครั้งทุกคราหลายๆครั้ง อ, อย่างเวลาตัดสินอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็ทราบว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงทําไมต้องถามอีกเนาะว่าเอาเธอทําอย่างนี้จริงไหมอะไรต่างๆเงี้ยเวลาที่ออกบัญญัติกฎออบัญญัติวินัยอย่างเงี้ยนะค่ะอืมซึ่งให้เป็นชัดเจนขึ้นบางอันเถอะค่ะแต่ต้องเรียนท่านนะ น, นะคะเจริญมนุษย์เนี่ยเรามาดูในยุคปัจจุบันนี้ก็ได้อืคนบางคนเนี่ยจะเชื่อใครนี่ก็คือว่าต้องให้เขาทําอะไรที่มันพิเศษไปกว่ามนุษย์ธรรมดาสมมุติว่า ไปหาคนคนหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักดูดวงหมอดูนะคะถ้าสมมติเกิดเขาเอ่ยอะไรมาสักคำหนึ่งซึ่งโอ้โหใช่เลยนี่สงสัยจะมีความสามารถดูแม่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจริตคนธรรมดาอะไรเงี้ยซึ่งจำเปต้องใช้สําหรับคนที่ต้องใช้คือเรื่องความพิเศษความมหาสจรรย์ตรงเนี้ยผู้ชอาก็จะให้พูดถึงเรื่องการเห็นการเกิดดาบอย่างเงี้ย พูดถึงอันวิญญาณของตัวเองการเห็นความเป็นเหตุเป็นผลอย่างเงี้ยตรงนี้คือหมาสัจจันทร์การเห็นการเกิดดับของอวิตกสัญญาแล้วก็พวกสังขารพวกนี้ค่ะคือถ้าสมมติว่าผู้ที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนที่มีประสบการณ์ตรงและเราเชื่อถือเคารพว่าเขาไม่โกหกหรือว่าไม่ได้มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติ แล้วได้พบเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใครๆก็เห็นได้ก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดมาแล้วมันก็ต้องดับไปอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะแต่ถ้าเราไปคุยอันนี้ดิฉันเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าได้ไปคุยกับผู้ปฏิบัติแล้วเราก็งงเลยจริงๆว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยจะบอกว่ามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง<ม>การเห็นเกิดดับในลักษณะที่เกิดจากการปฏิบัตินะคะเมี๋ยวฉันพูดถูกไหมคะถูกต้องถูกต้อง นะคะอันนี้ก็ต้องเล่าให้ท่านฟังเป็นพื้นๆไว้เพราะว่าบางทีการฟังรายการของเราเนี่ยก็มีผู้ที่มีศรัทธาหลายๆแบบบางคนก็อาจจะไม่เคยรู้จักอะไรอย่างนี้มาก่อนบางคนค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะคะเราต้องชี้ว่ามีอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกให้ท่านพิสูจน์เองค่ะท่านไปบูญทีนี้ถ้าท่านจบในส่วนเรื่องการถวายเป็นพุทธบูชาให้พวกเรารู้จักพระพุทธเจ้าของเรากันมากขึ้น ไปแล้วเนี่ยนะคะีจะมีเท่านี้แหละวันนี้สหรับวันนี้อ๋อค่ะและก่อนที่เ น, นจะถามเรื่องหลีกเล่นต่อไปก็เกรงใจเหมือนกันสำหรับคนที่เขาอาจจะไม่ได้ติดใจในเรื่องนี้แล้วแต่ว่ายังมีคนคอยคำตอบของตัวเองอยู่แล้วก็เป็นผู้ที่แหมต้องบอกสถานีวิทยุ f m 1เ6มรอยหกเลยนะคะทั้งเจ้าหน้าที่เทคนิคเนี่ยเขาอยู่กลุมเทพเองอยู่นวมินเจ็ดสิบก็ไม่ไกลจากช่องสามเลยน ะ, ะแต่บอกว่าระยะหลังเนี่ยคลื่นแทรกมาก ฟังเทศประกอบเพลงลูกทุ่งนะคะ oh, oh, oh. เดี๋ยวนี้ก็มีวิทยุชุมชนเยอะนะคะทีนี้ก็เลยจะให้ท่านตอบทางเว็บไซต์แต่ก็เผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเขาพูดถึงเรื่องของไอ้กาลังคลื่นส่งว่าแรงหรือไม่แรงนิดนิดหนึ่งที่มันจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการทําจิตของเรา <c oughs> พูดถึงกําลังเวลาที่เราแผ่เมตตาเนี่ยถ้าเผมว่าเรามีกําลังจิตที่สูงมีสมาธิที่ลึกเนี่ยการแผ่เมตตาของเราจะไปได้ไกล ได้ถึงได้มากเหมือนกับไอ้เจ้าคลื่นวิทยุเนี่ยนะถ้ามันมีกำลังส่งแรงเนี่ยมันก็โหไปได้มากไปได้ไกลนี่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกันได้เฉยงั้นเวลาที่ฉันไปปฏิบัติธรรมจะได้ยินโยมบางคนน ะ, นะคะก็จะไปกราบเรียนพระอาจารย์บอกว่าเนี่ยแท้งลูกมาสองสามคนและวอ่อแล้วก็ร้องไห้นะคะคือเหมือนกับคงอยากมีลูกแต่ว่ามีสุขภาพ ที่เป็นปัญหาเะี่ยก็จะมาถามท่านอาจารย์ว่าที่ดิฉันมาปฏิบัติแล้วแผ่เมตตาเนี่ยลูกของดิฉันจะได้รับไหมคะ oh. อ๋อคงเรื่องเดียวกับที่ท่านประใ ช, ใช่ทีนี้คนไม่เคยไปปฏิบัติธรรมกับท่านคะหมายถึงว่าไม่ได้ไปเข้าคอร์สแล้วก็เขาทําคิดว่าทําบุญตามที่เข้าใจเนี่ยทําอย่างไรคะบุญมันถึงจะมากพอแผ่ไปให้คนอื่นด้วยวิธีที่ถูกต้องอย่างนี้ท่านว่าได้ไหมคะเออก็คือ บุญเนี่ยเวลาเราสร้างด้วยการให้ทานหรือว่ารักษาศีลเนี่ยมันก็เกิดแล้วนะทีนี้พอเกิดแล้วมันเกิดตั้งแต่ก่อนให้ก่อนทําแล้วนะถือผู้เจ้าบอกว่าบุญจากการให้เนี่ยเกิดตั้งแต่ก่อนให้ระหว่างให้และหลังให้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราแผ่ตั้งแต่ก่อนให้ระหว่างให้หลังให้มันก็ได้ตลอดอ่าเราถามว่าแผ่ไปได้เขาได้รับหรือไม่ถ้าเขาเป็นญาติอยู่ในสถานที่ที่เขาจะได้รับนะเหมาะสมในการที่จะรับเขาก็จะได้รับในะสมมุติว่าถ้าเป็น เ, ท, เทวดาเนี่ย พูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยเทวดาเขาก็จะมีอาหารของเขาอยู่แล้วนะครับอาหารนั้นก็จะได้เฉพาะเปรตชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปรหัตตุประชีวีปเปรตที่จะได้รับอาหารนั้นแต่ถ้าเรื่องของความรักความเมตตานี้ส่งให้ได้หมดทุกที่ทุกคนได้หมดค่ะแล้วก็ถ้าจะส่งให้ได้แรงก็ต้องด้วยจิตที่มีสมาธิแบบคลื่นจะได้มีกําลังแรงแบบคลื่นที่ท่านว่าก็ปฏิบัติอย่างที่ท่านมาร์คได้แนะนําในตอนต้นตตรายการกกนะคะอันนี้ ก็เลยให้เป็นเกรดเพราะว่ามันพาไปพามาขนาดนี้คนสงสัยต้องให้คลายความสงสัยให้ได้คุณอิทธิพลค่ะผู้ที่อยู่นวมินเจดสิบและขอร้องให้ตอบทางเว็บไซต์แต่เราเชื่อว่ามีคนต้องการคำตอบในลักษณะเดียวกับคำถามคุณอิทธิพลคือถามว่าก่อนตายถ้านึกถึงแต่สิ่งดีก็จะไปดีเหมือนเป็นช่วงนาทีทองถ้าคนทาชั่วมามากมายเพียงรู้เทคนิคนินดเดียวก็จะไปดีเหมือนกันเหรอครับอ๋ อ, อตอบคำถามนี้ก่อน ค่ะนะคือคำถามนี้ถามว่าเป็นใช่หรือไม่คําตอบอก็คือใช่แตนะช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองนะทีนี้ว่าช่วงนาทีทองตรงเนี้ยแต่เหมือนโปรโมชั่นนะคุณจะได้หรือเปล่า น, นี้มันไม่แน่แตนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออเวลาอย่างในชีวิตของเราเนี่ยในในเราผ่านมาอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยเราไม่ได้จาเหตุการณ์ได้ทั้งหมดอาทิตย์หนึ่งในชีวิตเรานะคือหมายความว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจําเหตุการณ์ได้ทั้งหมด1ทุกอาทิตย์ ทุกวันในทุกอาทิตย์หรอมันไม่ใช่เราจะจําเหตุการณ์ได้แค่หนึ่งหรือสองครั้งที่ว่าสําคัญสําคัญของอาทิตย์นั้นใช่ไหมซึ่งไอ้หนึ่งครั้งที่สําคัญสาคัญเนี่ยมันก็มาจากในวันนั้นที่สําคัญสําคัญภามาเจวันคุณไม่ได้จําเหตุการณ์ได้ทุกอย่างใน7วันนะคุณคจําได้แค่หนึ่งหรือสองอันในแต่ละวันทีนี้ใน4สัปดาห์เป็น1เดือนเนี่ยคุณไม่ได้จำเหตุการณ์ได้ทุกสัปดาห์หรอกเจ็ดสองสิบสอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ใน1เดือนคุณก็จําได้แค่เลือกมาเด่นๆัก2หรืออันแล้วก็ใในน1ปี12เดือนเ เดือนหนมีสหรือสาอันคุณไม่ได้จําได้ทุกอันนะ24อันคุณจําไม่ได้เราจําได้แค่หนึ่งหรือส อ, อันในปีหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าในชีวิตเราชีวิตหนึ่งอะ่ะคุณไม่ได้จําได้ทุกเหตุการณ์ที่ว่ามันมันในทุกปี20 30, 30ปีหรือ บ, บางคนแ ป, ปดสิปีที่ผ่านมานะเอาแค่หนึ่งหรือ2 อ, อันเท่านั้นเองที่มันหนักหนั ก, นกดีๆสําคัญสำคั ญ, ค ญ, คญตรงนี้แหละมันจะมาโผล่ที่จิตสุดท้ายของเรานะคะแล้วก็ดิฉันเข้าใจว่าคนที่สงสัยหรือยอย่างนี้หรือว่าพอฟังแล้วก็เลยเกิดความรู้้สึกกอออมัน็เขาร คนดีทดําดีได้ดีมีที่ไหนคนชั่วทําชั่วได้ดีมีถงไป ม, มันก็ตรงนี้ที่ว่าคนที่ชั่วชั่วทำชั่วๆมาเนี่ย ค, ความน่าจะเป็นที่ว่าจิตสุต่านก็จะคิดเรื่องดีเนี่ยมันน้อยมากค่ะเพราะว่าเขาจะหวนคิดแนตะ่เรื่องที่ไม่ดีไม่ดีที่เขาเคยทํามาแล้วบางคนก็จะมีความประมาทว่าโอ้ย่างงี้ตรงนี้ฉันกินดื่มเที่ยวเล่นไปเต็มที่ก่อนเลยเดี๋ยวตอนใกล้าตายหนุ่นจะค่อยไปคิดดีๆนะนะ ค, ะคนคนที่คิดอย่างเงี้ยประมาทไง แต่มันก็จะมีประเภทอย่างนี้ก่ะท่านคะคือเหมือนกับฟลุกมากเลยอ่ะก็รู้เคล็ด่ยฟังรายการสันสนิสนทนาเกิดมีปรุปรับทําชั่วมาทั้งชีวิตเลยใกล้จะตายนึกขึ้นได้สมาธิดีก็มีน <c oughs> ึกถึงความดีออกอืมมีพรามณ์อคนหนึ่งก็พราหมณ์คนนี้ก็มีความสามารถพิเศษในการรู้ว่าใครไปเกิดที่ไหนแล้วเพื่อนพราหมณ์คนนี้ก็มีเพื่อนอยู่สองคนคนหนึ่งก็เป็นคนที่สามเณรเทเมาว กินเหล้ามาเบียอะอย่างเงี้ยนะเอ๊ะแต่ว่าทำไมไปเกิดบนสวรรค์ตายไปแล้วนะ <Okay. S 1> เพื่อนคนที่2นี่ก็ตายไปแล้วเหมือนกันนะทําความดีมารักษาศีลทำไมไปเกิดในนรกนะพอเห็นข้อมูลตรงนี้แล้วก็เลยมาถามพระพุทเจ้พาพระเจ้าก็นิ่งไม่ยอมตอบ <Huh. S 1> แล้วก็เดินอพอไม่ยอมตอบแล้วพราหมตรงนี้เขาก็เลยหนีไปเดินออกไปท่านพรานนท์ก็เป็นคนฉลาดนะก็เลยถามพระเจ้าว่าเอา๊ะพราะเห็นอะไรพอจะทราบได้ไหมพระเจ้าก็บอกให้ฟังถึงเรื่องจิตสุดท้ายนี่แหละนะถ้าเราคิดดี ทีนี้ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะมาประหัวประมาทเอาแค่ว่าอย่างนี้ เ, เราทําความชั่วสมมติเราวันนี้เราโทรไปหาแม่หรือหาคนที่เรารักแล้วก็โก <Okay. S 1> หกมันสักยกใหญ่สักครั้งหนึ่งนะ <Okay. S 1> เราจะมีความกังวลใจนะทันทีที่ที่ทําเสร็จนะหรือว่าด่าเขาอย่างรุนแรงแบบคน <Okay. S 1> ที่เรารักกันมาตั้งนานเนี่ยอยู่ๆคุณโทรไปด่าเลยว่าคุณทํากรรมไม่ดีถูกไหมเป็นวัจจีทุจริ ต, รตนะพอทำวัจจีทุจริตอย่างนี้แล้วคุณไปด่าเขาแล้วคุณจะมีความกังวลใจทันที คถามว่าไอ้ตรงนี้แหละคือผลในปัจจุบันที่เกิดขึ้นดันดีนะแล้วมันยังมีผลในเวลาถัดมามีผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกเพราะฉะนั้นไอ้ถามว่าไอ้ตอนที่ถัดมาถัดม า, ถ, ดมาถัดมาอีกเนี่ยถ้ามันไปโผล่ตรงตอนตายพอดีเนี่ยเรายากมากหรือว่าถ้าแค่ว่าคุณจะมาสังเกตลมหายใจตอนเนี้ยเอาสักห้านาทีเดี๋ยวเธไม่คิดอะไรเลยเนี่ยคุณทําได้ไหมล้วถามว่าคุณจะไปตอนที่คุณจะตายเนี่ยแล้วคุณจะมาอยู่กับลมหายใจได้อย่างดีโอ้โหมันยากะค่อืม คือสำคัญว่าจิตสุดท้ายไม่ว่าจะทําดีทําชั่วมานาทีนั้นเป็นนาทีทองถ้าสามารถอยู่กับสิ่งที่ดีงามพระเจ้าจึงให้มีสติสัมปชัญญะรอคอยความตายนะสําหรับคนที่ใกล้ฝั่งแล้วค่ะที่รู้ตัวนะคะว่าความตายมาใกล้มาทุกวันแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าจะทําให้คนดีเลยเลิกทําดีเลยบอกว่าปิดทำตอนใกล้ตายก็อย่างที่ท่านไปบุญพูดคือมันมไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆความคิดที่ดีนั้น นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวความดีที่ทำมามันไม่เสียไปใช่ไหมคะท่าน<ด>มันจะไปแวะที่ไม่ดีก่อนถูกไหมคะอืมคือมีโอกาสน้อยว่างั้นเถอนะนะมีโอกาสน้อยถ้าคุณจะไปไม่ดีหลังจากที่คุณทําดีมานานอย่างเงี้ยค่ะแต่ฉันเคยได้ยินการยกตัวอย่างบอกว่าหรือรู้สึกในพุทธวจนะหรือเปล่าคะที่บอกว่าเป็นพระสงค์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปนึกถึงผ้าจีวรนใช่ไหมคะก็มีพระรูปหนึ่งก็ทําทจีวรในฤดูทําจีวร เพราะองค์นี้ก็ยังไม่ได้ไปรู้เป็นเป็นอาเรียบบุคคลใดๆหรอกปรากฏว่าวันนั้นกินข้าวมากไปหน่อยและอาหารไม่ย่อยในตอนกางคืนไปนอนก็เลยตายคืนนั้นจีวรทําไว้ยังไม่ได้ใช้เลยมีความห่วงในจีวรก็เลยไปเกิดเป็นเลนที่ไปเกาะอยู่ที่จีวรว่างั้นค่ะตัวเลนเกาะอยู่ที่จีวรแต่อย่างไรก็ตามจากการที่ท่านรักษาศีลมาโดยตลอดเนี่ยหลังจากไปเป็นเลนสักพักหนึ่งหน้าจะได้ไปเป็นอย่างอื่นที่ดีกว่าไหมคะก็เป็นเทวดาก็ไปเป็นเทวดานะคะคือต้องพูดให้จบเดี๋ยวบางคนบอกอ้า โอ้โหโอ้โหได้แค่เลนไม่เห็นไปไหนไหนบอกว่าไอ้ที่ทําดีมามันยังอยไง <c oughs> ทีนี้ดิฉันเองเนี่ยก็แอบจะเขาเรียกอะไรครับพยายามพูดในรายละเอียดของคําตอบจนกระทั่งดูเวลาแล้วทั้งเรื่องหลีกเลนแล้วก็เรื่องคําถามอีกคาถามหนึ่งคุณอิทธิพลนี่สงสัยต้องยกยอดนะคะทั้นค่ะตรงนี้ก็ได้นะค่ะนะคะงั้นก็กราบน้ำส ก, การท่านไพบูล ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสัปดาห์นี้ท่านก็ต้องเหนื่อยอีกใช่ไหมคเพราะเห็นกำลังจะมีหลีกเรนอีกแล้วใชค่ค่ะค่ะกราบในวัส ก, การขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะท่านฟค่ะท่านฟันที่เคารพค่ะตอนนี้ผู้ที่สะดวกในช่วงปิดเทอมจำนวนหนึ่งทีเดียวนะคะที่ได้พากันไปลงทะเบียนเพื่อเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าหลีกรนคือเป็นการปฏิบัติธรรมจลองครั้งพุทธกาลมาในบางส่วนเลยละคะ่ะ กันที่วัดปดา่าดอนหายโศกซึ่งท่านเพรบูรณ์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอยู่นี้รายการนี้ชื่อสรรนิษณ์สนทนานะคะเสียงก็โชคดีได้ไปตอนปิดเทอมอเขาเหมือนกันเมื่อคอร์สที่เพิ่งผ่านไปแต่ว่าสําหรับท่านที่ไม่มีโอกาสไประหว่างนี้เราฟังธรรมะทุกวันทุกวันเนี่ยคะ่ะดิฉันเชื่อว่าเราก็จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำหนวยให้เราคิดดีพูดดีทําดี ตามพุทธวจนะแล้วพุทธวจนะนั้นจะนำพาชีวิตที่สวัสดีให้กับท่านถ้าอยากจะทบทวนไครครวนท่านก็ขอหนังสือที่ท่าอาจารย์ครึกฤทธิ์นได้มอบมาชุดพุทธวจนะทั้งหลายส่วนรายการของเราจะกลับมาพบกับท่านที่สถานวิทยุแห่งนี้ซึ่งเขามีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อก็ที่022690006เนี่ยนะคะกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอนตี 5. สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ